วันที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งอยู่ในความสนใจของคนทั้งโลกมากโดยเฉพาะคนที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมนะเพราะว่ามันมีการปล่อยยานอาวกาศยานอวกาศที่ว่านี่เป็นของบริษัท SpaceX เ, เจ้าของนี่คืออีรอดมาร์อีรอดม์นี่ก็เป็นคนที่มี ไอเดียบันเจิดนะนอกจากเขาจะบุกเบิกรถไฟฟ้านะที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้วเนี่ยเขาก็มีความฝันนะว่าจะส่งยานอวกาศไปให้หมนุ้ยเนี่ยไปตั้งถิ่นฐานที่ดวงจันทร์แล้วก็เขาคิดต่อไปถึงเรื่องการตั้งถิ่นฐานในดาวังคารเลยเขาถึงบอกว่าเนี่ย ก็จะไปกะเกษียณที่ดาวองคารก็ดูเป็นคนที่ฝันเฟื่องนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ฝันอย่างเดียวนะเขาทำด้วยเขาก็พยายามบริษัทเขาก็พยายามพัฒนาจรวดอุยนานอวกาศที่มันจะสนองความฝันของเขาแล้วเมื่อส0บวันที่แล้วเนี่ยนะก็เป็นกำหนดการปล่อยอาวกาศ มันชื่อเรียกว่าสตาร์ชิพนะซึ่งมันเป็นที่จับตาของผู้คนเพราะว่ามันเป็นนวัตมันมีนวัตรกรรมใหม่หลายอย่างประการแรกคือว่ามันมีท่อนส่งอวกาศท่อนส่งแรงดันเนี่ยที่มีกำลังมหาศาลเลยนะเพราะว่ามันจะต้องบรรทุกน้ำหนักหลายร้อยตัน ที่บรรทุกน้าหนักหลายร้อยตันก็เพราะว่าเวลาจะไปส่งคนไปดวงจันทร์ไปอยู่ดวงจันทร์เนี่ยไปอยู่ดวงดาวองคาเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์มีสเบียงหลายอย่างพแล้วก็เราต้องทดลองว่าเนี่ยยานอวกาศที่จะบรรทุกน้ําหนักแบกบน้ําหนักเป็นร้อยร้อยตันเนี่ยนะมันจะสยานขึ้นฟ้าได้อย่างไรมันต้องอาศัย ยานอวกาศที่มีกําลังมหาศาลแล้วก็อวกาศยานกลางเข้านี่นะก็เรียกว่ามีแรงดันสูงมากสูงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำแล้วประการที่2คือว่ายาวกรางเข้าซึ่งมีสองทอนเนี่ยนะทอนแรกเป็นท่อนส่งนะท่อนส่งหรือว่าท่อนที่ระเบิด ส่งแรงดันขึ้นอวกาศกระบอีกท่อนนึงเนี่ยนะเป็นท่อนเรียกว่ายานอาวกาศโดยตรงทั้งสองท่อนเนี่ยจะต้องกลับมาสู่ฐานได้นะแต่ก่อนเนี่ยยานอวกาศเนี่ยแต่ละท่อนแต่ละท่อนนี้ต้องทิ้งลงทะเลแต่อิลอนมาชเชเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งสองท่อนเนี่ยไม่ต้องกลับมาสู่ภาคพื้นดินได้อย่างปลอดภัยเพื่อได้ใช้ต่อ คนก็สงสัยว่ามันจะทำได้ยังไงนะอยากจะรู้ว่าเนี่ยอวกายานาวากาศทั้งสองท่อนเลยท่อนหนึ่งเนี่ยท่อนที่เป็นเป็นท่อนส่งยานอาวากาศเนี่ยพอทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาอย่างฐานอย่างปลอดภัยส่วนยานอวากาศนี่ก็จะโคดจรรอบโลกออนะโคจรรอบโลกแล้วก็จะมีเพื่อจะทดลองดูว่าท่านจะมีการ เติมเชื้อเพลิงระหว่างทางนี่จะทำได้ไหมเสร็จแล้วพอเสร็จภา ร, รกิจก็จะกลับมาสู่พื้นโลกกลับมาล่อนตรงฐานปล่อยจรวดอย่างปลอดภัยซึ่งก็เป็นนวัตกรรมนะที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนคงก็จับตาดูนะว่าอยานอวากาศสไตล์ชิพของ s เป c e x เนี่ย มันจะทําได้ไหมที่บอก ว, ว่าเนี่ยพอถึงวันที่เขาปล่อยยานอวกาศเนี่ยมันก็เที่ยนขึ้นฟ้าได้นะแต่พอเทียนขึ้นฟ้าไปได้สักสีนาทีกําหนดเนี่ยไม่ต้องแยกตัวจากกันนะสองท่อนเนี่ยท่อนหนึ่งกลับสู่พื้นโล ก, กท่อนนึงเนี่ยโคจรรอบโลกเพราะว่ามันไม่แยกกัน มันไม่ยอมแยกศูนย์ประชาการก็เลยทำลายเลยนะระเบิดทิ้งเลยแล้วก็จะมีภาพมันระเบิดกลางอากาศก็หลายคนก็ผิดหวังนะมนึกว่าจะได้เห็นยานอาวกาศทั้งสองท่อนเนี่ยมันทำงานตามภารกิจท่อนหนึ่งก็กับสู่พื้นโลกกับสู่ฐาน อย่างไม่บอบช้ำไม่เสียหายอีกทอด น, นึ่งก็สามารถที่จะโคจรรอบโลกได้แล้วก็กลับมาสู่พื้นโลกได้กลับมาที่ฐานไม่ได้ทิ้งลงทะเลเหมือนกับยานอวกาศของนาซาพอไม่ได้เห็นแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ผิดหวังนะแต่ว่าทาง SpaceX เนี่ยรวมทั้ง e l o อนม s k เนี่ยเา กับยิ้มนะเขากับพอใจนะะคนก็สงสามทำไมถึงพอใจนะทั้งที่ในการทดลองครั้งนี้เนี่ยมันล้มเหลวนะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดการเอาไว้ไอล อ, อนมัสแล้ว ก, ก็บริษัทเนี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาพอใจเพราะว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันทำให้เขาได้ข้อมูลเยอะเลยได้ข้อมูลมากมายแล้วก็เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลที่ดีที่สุดนะและเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการออกแบบจลวดที่ดีครั้งต่อๆไป คือเขาไม่รู้สึกท้อเลยแล้วเขาก็รู้สึกพอใจเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจอยู่แล้วนะว่าจะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดจากอุบัติเหตุจากความล้มเหลวเขาบอกเนี่ยใ น, ในการความล้มเหลวเนี่ยนะมันก็ทำให้ ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยเรียนรู้เกี่ยวกับะไยเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาปัญหามันมีอะไรบ้างจะได้นาไปใช้ในการพัฒนาจรวดรุ่นต่อๆไปให้ดีขึ้นพราก็บอกว่าเนี่ยจะไปหาข้อมูลจาก เครื่องสิมูเลเตอร์ภาคพื้นดินเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีการทำจริงด้วยและข้อมูลที่ได้เนี่ยอบอกได้มาเยอะเลยนะรู้ว่าปัญหานี่มันอยู่ตรงไหนแลวจะแก้ไขอย่างไรแล้วเขาบอกนะว่าเนี่ยในการทดลองนะ ความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การเรียนรู้หรือการได้ความรู้และการทดลองครั้งนี้เนี่ยได้ความรู้เยอะเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าความล้มเหลวนะจึงเรียกเป็นความสำเร็จและมันก็เป็นทัศนคติที่น่าสนใจน ะ, ะคนธรรมดาเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอุตสาห์ลงทุนลงแรงไปเยอะแยะแล้วปรากฏว่า ยานอวากาศมันระเบิดนะกลางอากาศนะแทนที่เครื่องมันจะแทนที่ยานอวากาศมันจะแยกตัวจากการมันกับติดแน่นจนต้องทำลายทิ้งเนี่ยหลายคนก็จะมองเป็นความล้มเหลวเป็นความเสียหน้านะแต่อีลอนมัสก์กับพวกวิศวกรนะของ SpaceX กเนี่ยเขากลับพอใจก็บอกว่าเนี่ยแค่ จรวนี่ออกจากฐานได้เนี่ยก็ถือว่าเกินความคาดหมายแล้วที่เหลือนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้อันนี้เป็นทัศนคติที่น่าสนใจนะคือมองว่าการทำแล้วก็ตามเนี่ยแม้จะล้มเหลวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะความล้มเหลวก็ให้ความรู้มากมาย นมันดีกว่านั่งคิดเอาหรือทดลองอยู่ในห้องห้องหลับนะอันนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะได้ความรู้ที่มีค่ามากเท่ากับการที่ทดลองทำแล้วแล้วพอมันล้มเหลวกับได้ความรู้มากมายเขาเลยมองว่าเนี่ยที่เกิดขึ้นไม่ได้ล้มเหลวนะั่นเป็นความสำเร็จนะ เพราะสิ่งสำคัญเนี่ยคือความรู้ความรู้ที่ได้อันนี้มัน ค, คล้ายๆกับที่นักวยาศาสตร์หลายคนนะนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์หลายคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยหลังจากที่ล้มลุกคลานมามากมายอย่างเอดิสันเนี่ยเคยเล่าไว้แล้วเอดิสันที่เป็นคนที่ผลิตหลอดไฟ เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนนั้นมันเป็นปฏิกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เปลี่ยนโลกมากแต่กว่าเขาจะทำสำเร็จนี่โอ้เข้าผ่านความล้มเหลวมากมายหลายครั้งโดยเพราะการหาวัสดุที่จะทำเป็นไส้หลอดไฟที่สามารถจะ ต้านทานไฟฟ้ามีแรงต้านไฟฟ้าและสามารถจะให้แสงสว่างเพราะแต่ก่อนเนี่ยหลอดไฟเนี่ยมันต้องอาศัยแรงต้านนะจนกระทั่งไส้นี่มันแดงและสว่างเรืองให้ความสว่างอาิศสันก็ทดลองหาวัสดุที่จะทำเป็นไส้เรียกว่า นับครั้งไม่ถ่วมแล้วก็ล้มเหลวแต่เขาบอกเขาไม่เคยล้มเหลวนะผมไม่เคยล้มเหลวผมแค่รู้หนึ่งหมื่นวิธีที่มันไม่เวิร์กนะานะนี้เป็นทัชชากติที่น่าชื่นชมมากนะคนเราเนี่ยพอเจอความล้มเหลว หรือทำไม่สาเร็จแล้วเนี่ยก็จะท้อแท้แต่ว่าสหรับคนอย่างอจิสันเนี่ยนะเเขากลับดีใจเพราะเขาได้ความรู้ความรู้ใหม่ความรู้ว่าอย่างนี้มันไม่เวิร์เนี่ยวัสดุแบบนี้มันใช้ไม่ได้แค่นี้ก็เป็นความรู้ที่สำคัญแล้วคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เป็นนักประดิษฐ์เนี่ยนะ ถ้าเขามีท่าทีแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไม่กลัวความล้มเหลวนะเพราะว่าเขารู้จักหาประโยชน์จากความล้มเหลวว่าความล้มเหลวเนี่ยหรืออุปสรรคเนี่ยมันมันให้ประโยชน์อะไรกับเขาบ้างและจริงเราทุกคนเนี่ยก็ควรจะมีททัศนคติแบบนี้นะก็คือว่าไม่มองว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ รู้จักหาประโยชน์จากความล้มเหลวนะหรือว่าอะไรที่มันแย่ๆในสายตาของผู้คนเนี่ยแต่ว่าเรารู้จักมองโดยเพราะถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันให้ความรู้กับเราเคยเล่าแล้วนะั้นักกิตตวิทยาฝรั่งอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยที่เวลาเขาถูกพึ่งต่อยถูกแตนต่อยถูก มดกัดเนี่ยขาไม่ได้เสียอกเสียใจเขาไม่ได้โมโหกโกรธทาเลยนะเขากับยินดีเพราะก็ได้ความรู้นะว่าไอมแมลงชนิดนี้เนี่ยมันต่อยเจ็บแค่ไหนแล้วก็เอาความรู้เนี่ยไปทำนะสเกลนะสเกลหรือผังคะแนนว่ามแมลงชนิดใดเนี่ยะกัดต่อย เจ็บกี่คะแนน1นคะแนน2คะแนน3คะแนน4คะแนนเป็นสเกลที่มีประโยชน์มากนะในทางวิชาการแล้วก็ในทางาการเรียนรู้เกี่ยวกับมแมลงต่างๆที่มีมีพิษนะเจ็บเนี่ยแต่ได้ความรู้เขาก็พอใจอันนี้ก็ควรเป็น สิ่งที่นักปฏิบัติ ร, รมเนี่ยนะควรจะมีนะทัศนคติแบบนี้เวลาเรามีความทุกข์นะหรือเจออุปสรรคแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่โมโหไม่เสียใจแต่เรายินดีที่เราได้ความรู้มันเป็นประโยชน์ทั้งในทางโลกและทางธรรมนะอาจารย์สุรินทร์เนี่ยท่า น, นก็เล่าอยู่เสมอนะ ว่าเนี่ยท่านได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยนะจากปัญหาหรูปประสทที่เกิดขึ้นจากาการถ่ายวิดีโอบางทีก็มีเสียงแทรกบางทีก็มีปัญหาหลายอย่างแต่ก็ได้เรียนรู้จากปัญหารู้จักเปลี่ยนประสบการณ์ให้กลายเป็นความรู้ ท่านบอกว่าเนี่ยประสบการณ์จะได้อย่างนิมให้ความรู้และประสบการณ์ที่ว่านี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเสียงไม่ดีไฟดับหรือว่าโปรแกรมมีปัญหาต้องไปปลุกปั้มกับมันถ้าคนที่วางใจไม่เป็นเนี่ยก็จะทุกข์ก็จะโมโหก็จะหงุดหงิดแต่ว่าคนที่วางใจเป็นเนี่ยเขาจะได้ความรู้ได้ทักษะ ก็มีประสบการณ์มากขึ้นไกว่ า, ารู้จักเปลี่ยนอุปรสรรคเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นความรู้แล้มัไม่ใช่แค่อุปรสรรคหรือความล้มเหลวนะสิ่งที่เราเรียกว่าอนิจฐารมหรือว่าโลกธรรมฝ่ายลบก็เหมือนกันนะคนมักจะพอใจการได้ลาบนะการได้ยศคำสรรเสริญหรือว่าสุข แต่จริงการเสริมลาบเสื่อมยศนะหรือว่าคำนินทาเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ตรงที่ทำให้เราได้ฝึกใจฝึกใจที่จะอยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ เรามองดีๆนความทุกข์นี่มันเป็นครูนะเป็นครูที่ดุครูเนี่ยจะกระหน่ำจะตีเราจนกว่าเราจะเรียนรู้บทเรียนที่ครูสอนถ้าเราไม่เรียนรู้จากบทเรียนที่ครูสอนเนี่ยครูก็จะตีเราอยู่เรื่อยจนกว่าเราจะฉลาดขึ้นเวลาเราเจอความ พัดพราดความสูญเสียเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ทุกข์นะแล้วก็ทุกข์เลยไปจนกว่าจะได้บทเรียนจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นั้นเข้ามาสอนสอนเราอย่างไรนะสอนให้รู้ว่าเนี่ยอย่าไปยึดติดถือมั่นนะกับสิ่งต่างๆมากเพราะทุกอย่างไม่เที่ยง นี่ถ้าเราไม่เรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านี้เราก็จะทุกข์เรื่อยไปนะสูญเสียของรักนะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็จะทุกข์เรื่อยไปและต่อไปก็จะสูญเสียคนรักนะถ้าไม่รู้จักนะเรียนรู้หรือซึมซับรับบทเรียนจากเหตุการณ์เหล่านั้น เหมือนกับที่เราซึมซับรับบทเรียนจากครูนะที่ดุเราก็จะทุกเลยไปแต่พอเราได้เรียนรู้ได้บทเรียนจากเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะความสูญเสียพัดพรากนะจากคนรักของรัก รวมไปถึงการประสบกับสิ่งที่ไม่รักด้วยนะคาตอว่าดาทอหรือว่าความเจิดความป่วยความแก่ความชราวันนี้เหมนครูนะที่จะโบยตีเราจนกว่าเราจะเรียนรู้จักครูว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยหรือว่า เป็นพ่อเราไปยึดมั่นถือมั่นกับบางสิ่งบางอย่างเช่นหน้าตาเราจึงทุกข์เพราะความการถูกต่อว่าด่าทอหรือเป็นพราะเรายึดติดถือมั่นในสังขารเราจึงทุกข์เพราะความเจ็บความป่วยพระเจ้าสอนนะว่าทุกข์เนี่ยนะมันมีคุณนะถ้าว่าเรารู้จักกําหนดรู้นี่อย่างชื่อพระเจ้าตรัสว่าหรือที่ครูบาอาจารย์สอนว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ เขามารู้ในที่นี้ฉันก็ปริญญานะให้เวลาเจอทุกแต่ละครั้งเนี่ยนะถ้าเรารู้จักเรียนรู้จักความทุกเนี่ยนะก็ถือว่าเราได้กําไรแต่คนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนรู้จักความทุกนะเพราะอยากจะได้รับแต่ความสุขพอเจอทุกก็บ่นไ ว, ไว้อยตีโพยตีพายคร่ําครวน แต่ถ้ารู้จักมองว่าเออทุกมันสอนอะไรเรามันให้บทเรียนอะไรเราเช่นเดียวกันนะเวลาเราเจริญสติเวลาเราทำกรรมฐานแล้วเนี่ยแล้วมันมีความหลงมันมีความฟุ้งเนี่ยหลายคนไม่ชอบนะที่รงความหลงเนี่ยมันก็มีคุณนะคุณอย่างแรกคือมันมาเป็นเครื่องฝึกใจให้ มีสติรู้ทันไม่ว่าหลงนั่นมันจะมาในรูปไหนเช่นความฟุ้งซ่านความโกรธความเกลียดความหงุดหงิดความเศร้าความเบื่อนะพวกนี้มันก็ล้วนแต่เป็นความหลงทั้งนั้นเวลามันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยนะมันมาเป็นแบบฝึกหัดให้เราเพื่อจะมีสติรู้ทันและต่อไปไม่ใช่แค่รู้ทันเฉยๆนะเรียนรู้ที่จะรู้สื่อ คือรู้แล้วเนี่ยไม่ผักใสรู้แล้วไม่ไม่ไปกดข่มรู้ซื่อคือรู้โดยที่ไม่ผักใสก็ไม่ไหลตามรู้โดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันไม่ปล่อยให้มันคลองใจไอ้รู้ซื่อเนี่ยมันมันไม่มีใครนะจะทำได้นะจนกว่าจะได้เจอกับความหลงแล้วก็ได้เรียนรู้จากการ ฝึกเรียนรู้จากมันมันเป็นโจทย์นะเมือกับ น, นักมวยนะที่จะเก่งได้ก็ต้องมีคู่ซ้อมถ้าูซ้อมไม่ได้เรื่องเนะี่ยนักเรียนนักมวยคนนั้นก็ไม่เก่งต้องได้คู่ซ้อมที่เก่งแต่มันไม่ใช่เพียงแค่ฝึกทักษะนะความหลงไม่เพียงแต่ฝึกทักษะให้เรามีความว่องไวในการรู้ทันแล้วก็รู้ว่า คำ ว, ว่ารู้ซื่อๆมันหมายความว่ายังไงแต่มันยังให้ความรู้กับเรานะว่าเออให้ความหลงเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันมีสภาวะเป็นอย่างไรฟุงซ่านเนี่ยสภาวะเป็นอย่างไรโกนะรธสภาวะเป็นอย่างไรนะเกลียดในสภาวะเป็นอย่างไรและไม่ใช่แค่รู้สภาวะนั้นแต่รู้ถึงลักษณะนะที่เรียกว่าไตรลักษณ์เนี่ยรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามัน ม, มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตน มันมาเพื่อให้เรารู้แต่นักปฏิบัติหลายคนเนี่ยพอเจออารมณ์พวกนี้นี่ก็งดหงิดหัวเสียรู้สึกล้มเหลวว่าทำไมฉันทำแล้วมันฟุ้งเหลือเกินอันนี้ก็เรียกว่าขาดนิสัยไฝ่รู้นะนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีนิสัยไฝ่รู้รู้จักรู้หาความรู้จักทุกสิ่งเปลี่ยนทุกประสบการณ์ให้กลายเป็นความรู้เหมือนกับพวก space X นี่เขาเปลี่ยน ความ เ, มเลิ่อหลวทุกอย่างให้กลายเป็นความรู้มหาศาลนะที่จะนำไปใช้ในการทำสิ่งใหม่ๆเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงอันนั้นเรียกว่าความรู้ทางโลกนะความรู้เพื่อจุดมุ่งหมายทางโลกแต่ว่าความรู้เนี่ยมันก็สามารถจนประโยชน์ในทางธรรมได้เดี๋ยวเพราะโดยเพราะจะเป็นความรู้นะจาก ประสบการณ์ที่เป็นลบนะเรียกว่าอนิถารมหรือว่าโลกธรรมฝ่ายลบนะหรือว่าความทุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันมันให้ความรู้กับเราเป็นความรู้ในทางธรรมนะซึ่งสามารถจะช่วยทําให้เราเนี่ยยกจิตให้เป็นอิสระจากความทุกได้ถ้าเราไม่รู้จักทุกขไม่เลยรู้จักทุก เราจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้อย่างไรเราจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้เราก็ต้องรู้จักทุกข์และเราจะรู้จักทุกข์ได้อย่างทองแท้ก็ต้องเจอทุกข์ซะก่อนถ้ากลัวทุกข์เนี่ยมันก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ก็เหมือนกับคนที่อยากประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องยอมที่จะเจอความล้มเหลวและเมื่อเจอความล้มแล้วรก็เปลี่ยนความล้มเหลวกลายเป็นความรู้ และความรู้นี่แหละมันก็จะนําไปสู่ความสําเร็จความทุกข์ก็เหมือนกันนะเจอความเจอทุกข์แล้เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความรู้ความรู้ในทุกข์แล้วความรู้ในทุกข์นั้นนะที่มันมันจะพาให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกข์ได้